โจธนากันว่าด้วยหมวดการโจด 1. นอนุวิชะกะอนุโยคะว่าด้วยข้อซักถามของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกร360รกสภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรพึงถามโจดว่าอาวุโสข้อที่ท่านโจดภิกษุรูปนี้นั้นโจดเพราะเรื่องอะไรท่านโจดด้วยสีระวิบัต โจ์ด้วยอาจารวิบัตหรือโจทย์ด้วยทิฏฐิวิบัติถ้าโจ์น um nice. ั้นตอบอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าโจทย์ด้วยศีลวิบัตโจทย์ด้วยอาจารวิบัตหรือโจทย์ด้วยทิฏฐิวิบัตภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรพึงซักถามโจทย์อย่างนี้ว่าท่านรู้ศีลวิบัตรู้อาจารวิบัตรู้ทิฏฐิวิบัตหรือ ถ้าโจทย์ตอบอย่างนี้ว่าอาวุโสข้าพเจ้ารู้ศีลวิบัติรู้อาจาระวิบัติรู้ทิฏฐิวิบัติภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรพึงซักถามโจทย์อย่างนี้ว่าอาวุโสก็ศีลวิบัติเป็นฉไหนอาจาระวิบัติเป็นฉไหนทิฏฐิวิบัติเป็นฉไหนถ้าโจดนั้นตอบอย่างนี้ว่า บาราชิกสีสังฆาทิเศษสิบสามนี้จัดเป็นสีลวิบัติทุลจัยปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุกภาสิทธินี้จัดเป็นอาจาราวิบัติมิจฉาทิฏฐิอันตะคาหิกทิฏฐินี้จัดเป็นทิฏฐิวิบัติภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกร พึงซ<ภ ừng>ักถามโจทย์อย่างนี้ว่าอาวาุโสข้อที่ท่านโจทย์ภิกษุรูปนี้นั้นท่านโจทย์ด้วยเรื่องที่ได้เห็นด้วยเรื่องที่ได้ยินด้วยเรื่องที่นึกสงสัยถ้าโจทย์นั้นตอบอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าโจทย์ด้วยเรื่องที่เห็นโจทย์ด้วยเรื่องที่ได้ยินหรือด้วยเรื่องที่นึกสงสัย ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรพึงซักถามโจ์อย่างนี้ว่าอาวุโสข้อที่ท่านโจดภิกษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่ท่านได้เห็นนั้นท่านเห็นอะไรเห็นอย่างไรเห็นเมื่อไรเห็นที่ไหนท่านเห็นภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติปาราชิกหรือท่านเห็นภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเศตถุลใจปาจิตตี ปาติเทสนิยะทุกกฎทุกภาสิตหรือนหนึ่งท่านอยู่ที่ไหนและภิกษุรูปนี้อยู่ที่ไหนท่านทำอะไรอยู่ภิกษุรูปนี้ทำอะไรอยู่ถ้าโจทย์ตอบอย่างนี้ว่าอาวุโสข้าพเจ้ามิได้โจทย์ภิกษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่ได้เห็นแต่ข้าพเจ้าโจทย์ด้วยเรื่องที่ได้ยิน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 ทุกกฎทุกภาษิตหรือท่านได้ยินจากภิกษุหรือได้ยินจากภิกษุณีศิกขานาสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกาพระราชาราชมหาอมาตย์เดียรถีสาวกของเดียรถีหรือถ้าโจทย์ตอบอย่างนี้ว่าอาวโุโสข้าพเจ้าไม่ได้โจทย์ภิกษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่ได้ยิน แต่ว่าโจดด้วยเรื่องที่นึกสงสัยพิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์พึงซักถามอย่างนี้ว่าอาวุโสข้อที่ท่านโจ์พิกษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่นึกสงสัยนั้นท่านนึกสงสัยอะไรนึกสงสัยอย่างไรนึกสงสัยเมื่อไหร่นึกสงสัยที่ไหนท่านนึกสงสัยว่าภิษุรูปนี้ต้องอาบัติป ร, ราชิก หรือท่านนึกสงสัยว่าภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุลจัยปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุกภาสิทธหรือท่านได้ยินจากภิกษุแล้วนึกสงสัยหรือได้ยินจากภิกษุาาณีสิกขานาสามมเนนสามมเนรีอุบาสกอุบาสิกาพระราชาราชมหาอามากเดรถี สาวกของเดรถีแล้วนึกสงสัยหรือเปรียบเทียบอธิกรณ์สเรื่องที่ได้เห็นสมด้วยเรื่องที่ได้เห็นเรื่องที่ได้เห็นเทียบกันได้กับเรื่องที่ได้เห็นแต่บุคคล น, นั้นไม่ยอมรับเพราะอาศัยการเห็นบุคคล น, นั้นถูกสงสัยว่าไม่บริสุทธิ์พึงปรับอาบัตตามปฏิญญา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 มีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการโจดมีโอกาสเป็นเบื้องต้นมีการทำเป็นท่ามกลางมีการระงับเป็นที่สุดถามการโจดมีมูลเท่าไหร่มีวัตถุเท่าไหร่มีภูมิเท่าไหร่โจดด้วยอาการเท่าไหร่ตอบการโจดมีมูลสอง มีวัตถุ3มีภูมิ5้โจดด้วยอาการสองอย่างถามการโจดมีมูล2เป็นฉไนตอบการโจดมีมูลการโจดไม่มีมูลนี้คือการโจดมีมูล2ถามการโจดมีวัตถุ3ามเป็นฉไนตอบเรื่องที่ได้เห็นเรื่องที่ได้ยินเรื่องที่นึกสงสยัย นี้การโจดมีวัตถุ3ามถามการโจดมีภูมิห้าเป็นไนตอบห น, หนจักโจดโดยการที่สมควรจักไม่โจดโดยการไม่สมควร 2. จักโจโดด้วยเรื่องจริงจักไม่โจโดด้วยเรื่องไม่จริง 3. จักโจโดด้วยคำสุภาพจักไม่โจโดด้วยคำหยาบ สจักโจรด้วยเรื่องที่เป็นประโยชน์จักไม่โจรด้วยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ 5. ้าจักมีเมตตาจิตโจร จ, จ, จ, จ, จักไม่มุ่งร้ายโจรนี้การโจรมีภูมิ5ถามโจรด้วยอาการสองอย่างเป็นฉไนะตอบโจรด้วยกายโจรด้วยวาจานี้โจรด้วยอาการสองอย่าง